บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารณชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อตาเราเห็นรูปเป็นตนนั้นจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้หรืออาจจะกลางๆก็ได้ทิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นบางครั้งท่านก็เรียกว่า เจตสิกเริัแปลวาสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเป็นการพูดในลักษณะรวมๆแต่บางครั้งท่านก็จะแยกออกมาเป็นดีบ้างเป็นไม่ดีบ้างเป็นกลางๆบ้างในกรณีที่พูดกันมาโดยลำดับกันเป็นเรื่องที่ทรงสอนให้สังเกตดูจิตเวลากระทบกับอารมณ์ทางวัสสักรสัมผัส ลักษณะจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจกิเลสหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้วยอํานาจของธรรมะถ้าเปลี่ยนแปลงไปโดยมีธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็จิตก็ไหลเข้าสู่กระแสของธรรมะก็ทรงสอนในรูปของการควบคุมรักษาคุณภาพจิตตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุดทีิจะนั่นได้โดยการประคองจิตโดยการรักษาจิตโดยการป้องกันจิต ไม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตเข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตเราในขณะนั้นถึงแน่นอนในการกระทานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องทําได้แต่ละขณะขณะบางครั้งก็อาจจะย็ดเวลาออกไปเพิ่มขึ้นบางครั้งก็อาจจะสงบอยู่ได้ น, น, นานๆโดยทําจิตให้สงบอยู่ด้วยอารมณ์ของกรรมฐ า, าน เมื่อเป็นชนนี้ก็จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตที่เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากกัมนาทั้งทิ่เลยคือบางครั้งเป็นการหลุดพ้นด้วยอารมณ์ในแต่ละขณะที่ท่านเรียกว่าตาทังกับวิมุติท่นมีเขาจะโกรธก็ค่มโกรธไว้ได้มีเขาจะด่าว่าก็หยุดการคำด่าวไว้ได้มีเขาจะประทุษร้ายก็ยุติเอาไว้แค่จิต อย่ไม่ถึงก็ออกมาทางกายและทางวิจารเป็นการปฏิบัติที่ควบคุมได้ในแต่ละขณะบางครั้งก็คุมได้บางครั้งก็คุมไม่ได้แต่พฤติกรรมของคนจึงเปลี่ยนแปลงไปไม่ยั่งยืนคือดีก็ไม่ตลอดชั่วก็ไม่ตลอดหรือแม้ต่กลางๆก็กลางๆไม่ตลอดมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระตุ้นทางวระสาสัมผัสในขณะนั้นๆ แต่บางครั้งคนมองเห็นโทษความรุนแรงของกิเลสแต่มองเห็นคุณค่าความสงบภายในจิตก็พยายามที่จะลดกิเลสหรือพยายามที่จะเพิ่มความสงบขึ้นภายในจิตความพยายามทั้งสองประการนี้ที่จริงก็ทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วความนองเดียวกับการรับประทานอาหารเราอาจจะพูดว่า บำบัดความหิวหรือเพิ่มความอิ่มก็ได้แต่ก็ทําด้วยการรับประทานอาหารนั่นเองอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็บำบัดทั้งความหิวแล้วก็เพิ่มความอิ่มขึ้นเพิ่มเรี่ยวแรงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องของปฏิจยาที่ต่อเนื่องกันไปทางการปฏิบัติในแนวนี้เราจึงพูดทางละบาปและพูดทางบําเพ็ญบุญ ซึ่งการไดจริงการละบาปก็คือการเพิ่มบุญการบาเพ็ญบุญก็คือการลดบากด้วยแล้วการเพิ่มบุญด้วยเป็นการบัตรในแนวของกรรมฐานจะเรียกว่าสมสถะคือทำจิตให้สงบเสียไม่ออกไปรับอารมณ์ภายนอกจะดูจิตภายในจิต ด, ดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารดูวิญญาณอยู่ที่จิต ในขณะนั้นกิเลสมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้เราตั้งสติอยู่ที่นั้นได้จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ก, กิเลสมันหมดเพียงแต่ว่าสงบหรือสยบความรุนแรงของกิเลสไปในช่วงยาวๆขึ้นเป็แนแนวที่ทรงสอนให้ตั้งสติกัสัมปชัญญะระลึกรู้แต่นี่ทรงแสดงไว้ในสัมปชัญญะปปะนั่น เป็นการเน้นย้ำด้วยการใช้สติสมัชัญญาและความเพียรเป็นหลักหมายความว่าเราอยู่ในิยาบทใดก็ได้หรือไปนทีใดก็ได้แต่ให้มีสติระลึกรู้ดูจิตในแต่ละขณะที่กระทบอารมณ์ในกรณีที่กิเลสเพิ่มขึ้นสติระลึกรู้ว่ากิเลสนั้นเป็นโทษเหมือนไฟเหมือนยาพิษเหมือนอสรพิษจะมากหรือน้อยมันก็เป็นอันตราย ที่ทรงสอนแม่ดูหมิ่นเพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราแต่ละคนแต่เราสังเกตดูไว้ดีแล้วมันเกิดขึ้นจากขณะจิตที่คิดอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งโชค ว, วูบของอารมณ์ฆ่ากันตายชะ ว, วูบของอารมณ์ป่าระเบิดลงไปในหมู่คนคนตายกันมากมายในโชค ว, วูบของอารมณ์ เราก็อาจจะทำความดีพิเศษอะไรขึ้นมาก็ได้เช่นเมื่เห็นคนตกน้ำเราก็โดดเข้าไปช่วย ท, ท, ทั้งที่เร า, าว่ายน้ำก็ไม่เคยแข็งเท่าไรแต่ก็ช่วยได้สําเร็จซึ่งก่อนหน้านั้นเราอาจจะไปด้านการพนันมาหรือดื่มสุรามาหรือทาความผิดอะไรต่างก็ได้แต่วูบที่ตัดสินใจช่วยคนให้รอดพ้นจากความตาย การังตัวตัวเองว่ายน้ำไม่แข็งก็กลายเป็นความดีเป็นที่ยอมรับจกจ้องของผู้คนทั้งหลายเพราะหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยปริมาณความดีที่เพิ่มขึ้นนั้นคนจะให้อภัยในความผิดพลาดทั้งหมดที่ผ่านมาแ ล, แล้วก็มองความเปลี่ยนแปลงของท่านโดยความชื่นชมบุคคนที่ตกต่ำลงไปขนาดนี้หัวคลมหัวคลุกไปขนาดนี้แต่กลับ เปลี่ยนแปลงไปได้จากหน้ามือเป็นหลังมือที่คติไทยเราพูดว่าต้นโคตปลายทรงถ้าเป็นต้นไม้มันก็ใช้งานได้เราจะมักย ก, กตัวอย่างพระองค์กิมานซึ่งมีประวัติชีวิตในตอนต้นๆมีปัญหาอยู่มากแล้วก็เป็นการเล่าในช่วงที่ยา ว, ยาว แต่ดูมาที่จริงแล้วเป็นเรื่องของขณะจิตในแต่ละขณะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตพระองคุลิมานก็เปลี่ยนแปลงในแต่ละขณะขึ้นดูกับการตัดสินใจถูกกับการตัดสินใจผิดตัดสินใจผิดก็กลายเป็นโจรไปเลยโจรที่หาโลหิตรุนแรงด้วยแต่พอตัดสินใจถูกด้วยความระพฤติธรรมรัตนิดเดียวท่านก็เลิกละ ความชั่วร้ายต่า ง, างๆดี่เคยพระพฤทธกระทามาเป็นคนที่มีอัจฉริยัยอ่อนโยนฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะบรรลุมรรผลเป็นพระรยบุคคลเป็นแบบชีวิตที่ชาวพุทธทั่วไปรู้รู้จักชื่อพระองค์ก็รู ม, มาแล้วก็นำมากล่าวขวัญรกย่องกันโดยไม่ตำหนิอีเตียนอะไรเลยที่ท่านไปฆ่าคนมาเป็นพันแล้วขนาดที่เอานิ้วมือมาแขวนเเป็นคอก็ตั้งเก้าร้อยกว่าแล้ว ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้เก็บอะไรเป็นหลักฐานไว้ก็มีอีกเป็นอันมากนี่แสดงให้เห็นถึงชีวิตของคนเรานั้นอาจจะหกล้มหกลุก ม, มายังไงก็ตามแม้แต่เราพุทธเจ้าของเราเองตลอดระยะเวลาหกปีที่ทรงสแสวงหาทางแต่รู้ก็มีการหกล้มหกลุกเป็นอันมากแล้วก็ปฏิบัติผิดไปไม่น้อยแต่ก็ตรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยในที่สุดมันก็ข้าทางที่ถูกต้อง การบัตธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นเองคือไม่ไปเล็งผลเลิศว่าจะต้องถูกต้องสเสมอไปเล้ถ้าผิดมันก็ปรับตัวแก้ตัวใหม่ก็ทำทดลองใหม่ต่อไปการใช้สติระลึกดูจิตที่มีกิเลสปรุงแต่งในแต่ละขนาดนั้นที่จริงค่อนข้างจะดูยากเพราะเป็นการดูจากภายใน ดูความช่วงคนอื่นนั้นเราดูได้ง่ายแต่พอดูของเรามันดูไม่ค่อยออกพอโดพื้นฐานแล้วคนเรานั้นจะเข้าข้างตัวเองหลงตัวเองด้วยอำนาจตัณหามานาทิฏฐิยันที่ทงสอนเอาไว้ว่าโทษบุคคลอื่นเห็นได้ง่ายโทษบุคคลอื่นเต็ได้ยากคนทั่วไปนั้นมักจะกลบเกลื่อนโทดโทษคนตัวเองแล้วมักจะเปิดเผยโทษของคนอื่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของคนสองประเภทคือคนผานกับบัณฑิตอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าคนผานนั้นจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะหาทางตำหนิที่เตียนติเตียนทงจิงด่าว่าค่อนแคะก็แล้วแต่หาด้อด่าจะได้อย่างที่ท่านสอนเอาไว้สำหรับคนที่ถูกประทบกระทั้นโดยการด่าว่าโดยการนินทาแดะการตำหนิของบุคคลทั้งหลาย อย่าไปใส่ใจคนมันก็เป็นอย่างนั้นเองทีก่กติไทยเราบอกว่าอั น, นินธากาเลมันเทน้ำ ม, มันชกซ้ำมือมีดมันปรีถิดแม่องค์พระปฏิมาจะราคินคนเดินดินหรือจะพ้นคนอินธาพระเจ้าเองก็สอนเอาไว้ว่าคนไม่ถูกดินทา น, นั้นไม่มีในโลกคนเราก็ติได้แบงนั้นแต่เขาจะติเอาขนาดพระพุทธเจ้าสมบูรณ์กรดนนั้นแล้วเขาก็ยังติได้ เดี๋ที่ทรงแสดงเรื่องอัตุละอุบาสกที่ตัณติทั้งคนซึ่งถามแล้วไม่พูดติทั้งคนที่อธิบายขยายความอาวิจิตพิสดารและติทั้งคนที่พูดพอพอประมาณแต่เราจะตั้งปัญหาถามว่าท่านจะเอาอยัางไงก็ไม่รู้เอาอยัางไงเหมือนกันฉะนั้นคือธรรมชาติของคนทีนี้พอการจะตรวจสอบ นอกจากว่าเราเข้าข้างตัวเองคือหลงตัวเองแล้วมักจะแก้ต่างแก่ตัวเองอย่างที่สำนวจท้่เราพูดกันว่าเรื่องนี้เราอธิบายได้แม้แต่ค่าคนตายแล้วก็ยังอธิบายได้เพราะอธิบายมัอนอธิบายได้ทั้งนั้นแต่บรรทุกหรือผิดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแการตรวจสอบดูตัวเองจึงต้องให้เห็นตามความเป็นจริง ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกในขณะนี้ดูจะถึงจิตเราเป็นยังไงในขณะนั้นๆก็ให้รู้ตามความเป็นจริงการแสดงนั้นเป็นการพูดตามลำดับองค์ธรรมโดยเรียงจา ก, จากหยาบมาละเอียดแต่การเกิดของอิเล่เขาไม่ได้เกิดเรียงลำดับอย่างนั้นก็แล้วแต่ใครเป็นใครก็จะเกิดอะไรมาก ทดลองสังเกตว่าลักษณะอย่างหนึ่งที่ทรงสอนให้ตรวจสอบดูที่ตัวเองครูบาอาจารย์ก็ตรวจสอบดูที่ทุกจิตเขาเรียกว่าเจติติเจติติก็คือลักษณะของจิตที่เป็นปกติหมายความอาการเหล่านั้นจะปรากฏมากกว่าอาการอื่นเช่นสมมติว่านั่งคุยกันพอสักสามชั่วโมงแนละ้วคนที่มีเจติต่างกันนั้นจะมีลักษณะกริยาที่ต่างกัน อยงที่เคยเล่าถึงตัวอย่างอุบาสกนั่งฟังเทศในพุทธสํานักคือสํานักของพระพุทธเจา้าพระเจ้าทรงเทศเป็นการนั่งฟังในป่าอุบาสกกลุ่มหนึ่งก็สะท้อนอัจฉริยสัยของตัวเองออกไปซึงเมื่อแตกต่างกันคนหนึ่งนั่งขีดดินคนหนึ่งนั่งดูท้องฟ้าคนหนึ่งนั่งหลับสปงกคนหนึ่งนั่ง แค่ต้นไม้เขาย่าต้นไม้ผลักต้นไม้ดูคล้ายๆจะฟังเทศแต่คนที่หลับนั้นก็คงไม่รู้อะไรคนอีกสามคนนั้นที่จริงไม่ได้มนสรีการคือไม่ได้ใส่ใจสนใจในองค์ธรรมที่พูะุทธเจ้าทรงสแสดงคนที่ขิดดินมันก็ใส่ใจอยู่ที่ดินคนที่เขาย่าต้นไม้ก็ใส่ใจอยู่ที่ต้นไม้คนที่ดูดาบ ม, มันก็ใส่ใจอยู่ที่ดา แสดงว่าต้องการจะทำอย่างหนึ่งแต่ว่าใจมันคิดไปอย่างหนึ่งเป็นลนักษณะของความเลื่อนลอยไปตามกระแสะของความคิดเวลาพิสูเกิดสงสัยในคราวนั้นกลับทูลถามพระเจ้าทรงสาวลึกหรือตตนที่จะพูดเฉพาะอัตยาตไัยก็สาวลึกไปเบื้องหลังของอัตยาศัยที่ปรากฏ เรสืบเรื่องมาจากบุรพ ก, กรรมคือกรรมในอดีตที่คนเหล่าดันได้สะสมกระทํา ม, มาสืบเนื่องสร้างเป็นจิตตสันดานเป็นลักษณะนิสัยซึ่งแก้ได้ยากอุปสกที่นั่งขีดดินชาติอดีตแต่การนั้นเคยเป็นงูมาเคยเป็นไส้เดือดมาคนที่นอนหลับอดีตชาติเคยเป็นงูมาคือไม่อิ่มด้ยวยความหลับคนที่เขย่าต้นไม้ปลักต้นไม้ก็เคยเป็นลิงมา คนที่ดูดาวก็เคยเป็นหมอดูดาวมามันสร้างเป็นลักษณะนิสัยแต่เราจะเห็นว่าที่จริงก็คืออาการของกิเลสที่มันไหลกระทบจิตอย่างต่อเนื่องจิตถูกปรุงในขณะนั้นจิตก็ถูกปรุงด้วยกิเลสประเภทนั้นๆทำนองคล้ายๆกับกระแสน้ำไหลเจอน้ำสีแดงมีโครนสีแดงไหลลงมาก็อย่างต่อเนื่องมันก็ผ่านตรงนั้นแดงทุกทีแล้วก็แดงอยู่นานด้วย ที่จริงมันไม่ใช่แดงตรงนั้นแต่ที่จริงมันแดงมาจากข้างบนมันมีเหตุปัจจัยให้แดงมาจากข้างบนเพียงแต่มันไหลผ่านตรงนั้นเราก็เห็นว่าน้ำแดงตรงนั้นแต่ถ้าข้างบนไม่แดงที่ผ่านตรงนั้นมันก็ไม่แดงแต่การสาวก็แล้วแต่จะสาวลึกขนาดไหนแต่สรุปแล้วว่ามันก็เป็นอาการของกิเลสหรืออาการของธรรมะก็แล้วแต่พฤติกรรมที่บุคคลสะท้อนออกมาในขณะนั้นนั้น ในจริตเช่นแนวศรัทธาจริตแสดงว่าพื้นจิตนั้นกรอบด้วยศรัทธาอยู่มากแต่ศรัทานั้นจะต้องมีปัญญาเข้ากลับกับถ้าขาดปัญญาเป็นเรื่องสอดส่องพินิจพิจารณาแล้วอาจจะงมงายรายเหตุผลมากเขาเรียกว่าศรัทธาจริตคือเชื่อง่ายเชื่อง่ายที่จริงดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีที่ไม่ดีก็คือว่าไม่รู้ไปเชื่อใครเข้าที่ดีก็คือถ้าได้แหล่งที่เชื่อที่ดี มันจะพูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายที่เราเรียกว่านอนสอนง่ายเรื่องบางเรื่องดูแล้วไม่น่าจะทำแต่ท่านก็เชื่อท่านก็ทำเย่ิสวิสุรุปหนึ่งชื่อท่านปูชิละมีความรู้รแตกสารในธรรมะมากแต่ว่ายังเป็นบุธุชนแล้วก็มีความก้าวร้าวมีความถือตัวรุนแรง ถือว่ามีความรอบรูมากต่อมาก็าถูกตําหนิถูกเรียกว่าพิกถุกใบลานเปล่าหมาความรู้จะเปล่าเปล่าแต่ไม่ได้รับผลของธรรมะทานองลคล้ายๆกับเด็กเลี้ยงโคแต่ไม่ดื่มนมโคเพราะนมโคนั้นเป็นเจ้าของเป็นของเจ้าของโคตัวเองก็มีหน้าที่เลี้ยงเท่านั้นแต่คืนดื่มก็ไปมันก็กลายเป็นขโมยซึ่งอุปมานี้พระเจ้ามักเอามาใช้เพราะบรรลุง่าย คนสมัยนั้นเลี้ยงโคกันเยอะไปไหนก็นจเจอเด็กเลี้ยงโคเพราะฉะนั้นว่าเด็กเลี้ยงโคไม่มีสิทธิ์ดื่มน้ํานมโคเพราะไม่ใช่ของข้องแก่แต่ถ้าขืนดื่มข้าวมันก็กลายเป็นขโมยดังนั้นคนที่ศึกษาธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็คือไม่มีธรรมะไม่รับประโยชน์จากธรรมะนั้นก็สลดใจต้องการที่จะปรับเปลี่ยน ความรู้สึกคิดการกระทำของตัวเองก็ขอให้ครูบาอาจารย์สอนให้ไม่มีใครสอนให้พอถือว่าท่านใหญ่โตมากอัตาเครื่องอตาใหญ่พูดยากอธิบายยากท่านขอร้องไปจนถึงสา ม, มเดนสามัญเดนน้อยๆองค์หนึ่งพอดีเป็นสา ม, มเด น, นที่บรรลุวกคนเป็นพ ร, หระหันเด่ก็บอกว่านั่นก็พอได้แต่มีข้อแม้ว่าอาจารย์จะเชื่อผมหรือเปล่า อาจารย์ไม่เชื่อผมมันก็สอนกันไม่ได้ก็มีข้อแม้ว่าต้องเชื่อสั่งให้ทาอะไรต้องทาแล้วไม่ต้องไปถามมาทำไมถึงต้องทำอย่างนี้นท่านก็ยอมตอนเรนทดสอบบอกถ้างั้นอาจารย์ไปกระโดดลงจากภูเขานี่ท่านก็ไปเดินไปว่าทำท่าจะโดดเร น, นก็เรียกกลับมาก็เห็นว่าพูดกันง่ายคือเชื่ออธิบายธรรมานิดหน่อย แล้วก็สอนวิธีง่ายๆเป็นการสอนให้ดูจิตเหมือนกันโดยอุปมาร่างกายเราเหมือนกระจอมปลวกภายในจอมปลวกนั้นมีสัตว์อยู่ข้างในสัตว์ที่เน้ยนยกมาในคราวนั้นก็คือที่ไทยเราเรียกวาเชียบาหลีเรียกวโคท่ามันอยู่ข้างในมีทางออกทางข้าวอยู่หกทาง วิธีที่จะจับสัตว์ตัวนี้ให้ได้ก็คือปิดที่ห้าเท้าห้าช่องแล้วก็นั่งสังเกตดูในช่องที่หกแล้วออกมาก็จับตัวนี้เพราะแนวการปฏิบัติตรงนี้ก็คือสอนให้ตั้งสติระลึกรู้ดูจิตจิตปิตาหัจงองร่ากายมาดูจิจต เดีดูจิตในจิตด้ยเห็นจิตในจิตเ็นกายในกายเป็นต้นอย่างที่ท่านอธิบายไว้ในมาสติปัฏฐานเพราะเราเห็นว่าพอถึงจุดนี้ตัวศรัทธาจะดิบกลายเป็นเรื่องดีเพราะว่าได้ครูบาอาจารย์ดีแต่บางทีศรัทธาก็แกว่งสับสนอย่างที่พระองค์โคลิบาลได้ไปเชื่ออาจารย์ในตอนแรกแล้วก็กลายเป็นโจรไป ผลอาการที่ปรากฏต่อเนื่องยาวนานอย่างนี้ก็แสดงว่าศรัทธานั้นเป็นพื้นจิตของท่านแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าใช้เป็นแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็มีปัญหาต่างๆด้วยวิธีพูดถึงคนราคัตจิตก็แสดงว่าอาการกริยาการพูดการกระทําการแต่งเนื้อแต่งตัวการกินอาหารการอาบน้าการจะปฏิบัติภาระอะไรก็ทําสังเกตออกว่าคนนี้ราคัตจิต รักสวยรักงามติดของสวยของงามไขว่คว้าประถนาสิ่งสวยงามอยากดูรูปสวยๆอยากฟังเสียงไพเราะอยากดมกลิ่นหอมๆอมอยากสัมผสัสรสที่อร่อยและจะเกิดต่อต้านเมื่อไปเจอสิ่งที่ตัวไม่ชอบจะเกิดเป็นโทสะเมื่อไปเจอรูปไม่สวยเสียงที่ตนคิดว่าไม่ไพเราะกลิ่นที่ตัวไม่ชอบรสที่ตัวไม่พอใจนี้จะเกิดเป็นโทสะคือปฏิฆะหงุดหงิดรำคาญงุ่นง่าน แ, แร่แรงก็อาจจะอารวาสอกมาหรือวปริงออกมาทางวาจาเปน็นต้นลักษณะเหล่านี้ก็คืออาการภายในจิตนั้นจะหนักไปในทางราาักขะมีความกำหนัดพอใจติดใจในสิ่งตรงนี้แล้วก็ใช้ไปได้ทั้งสองสามทางในทางกลางๆ ก, ก็ได้ทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ บางทีก็ใช้กระตุ้นให้เกิดโทสะก็ได้ชั้นใช้กระตุ้นให้เกิดราคะก็ได้เจตสมมติว่าใช้กระตุ้นให้เกิดโทสะบางทั้งที่ใจก็มีราคะเราก็ไปแสดงอาการย่ำยีดูถูกดูหมิน่นสิ่งที่เขาพอใจก็จะเกิดโทสะคล้ายๆที่หันอุ ม, มานไปกระทำย่ำยีตัวนางมณโทแล้วก็ทศกัณฐ์เกิดโทสะจนตบาาแตกข้าวพิธีกรรมครั้งนั้นไม่สำเร็จ นิสแสดงว่าใจที่หนักไปในทางราคะหรือโทสะนั้นแกว่งได้นะคือแกว่งกลับไปอีกด้านหนึ่งได้แล้วก็นั่าเดียวกันก็ตอกย้ําในตรงนั้นได้ก็ได้เลยมันกลายเป็นจิตที่มีจุดอ่อนหมายความว่าเปราะบางโอกาสที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนอื่นมันก็ทําได้ไง่ามื่อก่อนได้พูดมาถึงเรื่องมานะคือความสุตัว แล้วก็แบ่งออกเป็นทั้งกิเลสชัดๆหรือว่าอาการของกิเลสมันสงบอยู่ภายในแต่ว่าสิ่งี้ปรากฏภายนอกเป็นอาการของธรรมะที่เป็นกิเลสแรงๆก็คือดูถูกดูหมิ่นคนอื่นเ็าเรียกอติมานะดูหมิ่นคนอื่นเป็นความรู้สึกระดับจนที่ทรงเรียกคาว่าอุปกิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทาใจให้เศร้าหมอง อย่างที่ทรงแสดงภาพของใจเป็นโดยรวมเอาไว้ว่าพิสูุทั้งหลายใจจิตนี้เป็นประพัดสอนคือเรืองแสงแต่จิตนี้เศมองไปเพราะอุปกิเลส ท, ที่จอดมาแสดงว่าอุปกิเลนไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่อุปกิเลสแต่ว่าจิตพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ลกลางๆก็ได้ที่บางทีท่านอุปมาจิตเหมือนน้า น้ำไม่มีสีไม่มีกลิ่นเพราะการไม่มีสีไม่มีกลิ่นนี่เองคนยังเปลี่ยนน้ำได้ทุกอย Burn ่างเปลี่ยนให้เป็นเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสของน้ำได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่รสของน้ำไม่ใช่สีของน้ำไม่ใช่กลิ่นของน้ำพวกนี้ทั้งหมดที่จริงเป็นสิ่งเข้ามาปรุงแต่งน้ำให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเองเช่นว่าสีำดำมก็เปลี่ยนแปลงน้ำให้เป็นสีดำในสีดำนั้นก็มีความหวานเจือปนอยู่ก็เปลี่ยนเป็นน้ำสีดำแล้วก็มีรสหวาน ในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นน้ำหอมอยู่ก็เป็นน้ำสีดำมีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสหวานเพราะในกลิ่นหอมก็ดีสีดำก็ดีรสหวานก็ดีที่จริ ง, รงมันไม่ใช่น้ำแต่เป็นสิ่งที่ปนเข้ามาในน้ำเพียงแต่ว่าเวลาพูดเราพูดว่าน้ำนี้น้ำสีดำนั้นรสหวานท า, ทางทั้งที่ไม่ใช่ตัวน้ำซึ่งมีรสหวานมีสีดำแล้วก็มีกลิ่นหอมเพษาะาการปนอยู่ภายในจิตมันก็เป็นเช่นนั้น เป็นได้ทั้งกุศลได้ทั้งอกุศลหรือทั้งที่เป็นกลางกลางแต่กลางกลางแล้วตามปกติสามัญชนจะมีได้น้อยเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจไม่มั่นคงมันจิตใจมั่นคงจิตใจก็จะแกวงไปและจะหนักไปในทางที่เพิ่มกิเลส ท, ทั้งนี้เป็นเพราะไรเพราะลักษณะอารมณ์ที่เราสัมผัสในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นการกระตุ้นกิเลสเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่านหนังสือพิม ฟางวิทยุดูโทรทัศน์เป็นการกระตุ้นกิเลสส่วนใหญ่โอกาสที่จะกระตุ้นธรรมานั้นมันมีอยู่น้อยเพิ่มโดยวิธีการเหล่านี้เวลาจะเอาจริงๆในการปฏิบัติเพื่อเกิดความสงบจิตผู้เจ้าเองและแม้แต่พระอาจาน์ทั้งหลายก็เหมือนกันคือจะหลีกเร้นจากอารมณ์ที่กระตุ้นกิเลส ต, ตอ น, นั้น อยู่ป่าอยู่ท่าอยู่เขาอยู่โคนมา้าอยู่ลองฟางห่างไกลจากอารมณ์ที่กระตุน้นในเกิดกิเลสลักษณะของมานะที่กระตุน้นบางครั้งก็แรงไปจนถึงดูหมิ่นคนอื่นอาการดูหมิ่นก็แล้วแต่จะเอาอะไรมาดูหมิน่นหมายความันเราคิดว่าเราเด่นตรงไหนแล้วเราเอาจุดตรงนั้นแล้วไปเหยียบคนอื่น เป็นฐานะตระกูลเราร่ำรวยกว่ารูปร่างเราดีกว่าการศึกษาเราสูงกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเรามากกว่ารถเราที่เราใช้ราคาแพงกว่าเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มราคาแพงกว่าอะไรก็แล้วแต่แม้แต่อาหารแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรถอะไรต่างๆที่เราเห็นว่าเราเหนือกว่าเขาแล้วเราก็ดูหมิ่นเขาได้ทั้งนั้นเพราะในการเกิดมานะันเนี่ยจะทาให้เกิดอาการพยองลาพอง ไม่ยอมรับน้ำถือยบุคคลอื่นแล้วก็กลายเป็นปมด้อยเป็นจุดอ่อนที่เพื่อนใช้เป็นเครื่องมือนี่ทำลายล้างได้ตำนองอะไรตำนองที่กลุ่มประกันยุไอสุชิสุคีพสแสดงพลังมหาศาลตัวเองโดยการถอนต้นรังให้ดูสุครีพดูบินกลุมปรกันกลุ่มประกันคล้ายๆไม่มีน้ำยาอตอนนั้น แต่คนเรามีฤทธิ์มีแรงยังไงก็ตามถ้าลองถอนต้นรังขนาดใหญ่ได้ทั้งสามต้นมันก็หมดแรงจนได้ผมิคุ้มกันยังจับสุครีบเกัาไปธรรมดาธรรมดาไม่ต้องออกแรงอะไรเพราะสุครีบไม่มีแรงแล้วตัวนี้เลยในชัดว่าพราะสุครีบมีมารนณะเกินไปอยู่ความถือตัวมีเรี่ยวแรงมีฤทธิ์มีอำนาจมากไม่ได้มองอะไรเลย พันกิเลสแต่ละอย่างเนี่ยจะนําความพิบัติมาสู่ตัวเองจึงทงสอนให้มองในในแง่ของความเป็นโทษสำนวนมารีตัณฑ์เขามาเห็นโทษโดยความเป็นโทษหมายความว่ามันเป็นโทษโดยสภาพของมันแต่บุคคลจะต้องมองมันเป็นโทษด้วยมองเห็นว่าเป็นโทษตราบใดที่เรายังไม่มองเห็นโทษ การจะลดละการจะหลบหลีกการจะป้องกันการจะกระจัดปวาบัตรสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะคนบางคนที่เดต้าก็จริงเสพติดทั้งหลายพูดจากันท่านก็เข้าใจนะแต่ท่านก็แก้ต่างท่านก็อธิบายแทนได้อย่างนั้นไม่เป็นอะไรจำนวนเท่านี้ไม่เป็นยังไงก็ไม่เห็นใครเป็นอะไร เป็นเยอธิบายถึงบุรีเป็นทางเกิดของมะเร็งก็ถือว่าทางหนึ่งเพราะก็จริงคนนี้ไม่เคยสู่บุหรี่เขาเป็นมะเร็งเพราะนั่นก็จะอธิบายได้อธิบายในแง่ของความเป็นคุณของสิ่งที่เป็นโทษได้ทํานองที่เราพูดกับมองต่างมุมคือมองกันคนละมุมเพราะนั่นก็ไม่เลิก บาปใดที่เรายังไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษบาปนั้นการลดละความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้ฝึกกิเลสจึงอยู่ที่การเพ่งพินิษฐ์ทั้งที่ปรากฏเป็นตัวบุคคลเป็นอาการปกติเป็นคนราคะจรดิตคนโทสะจริตคนโมหะจริบแสดงว่าอาการกิเลสมันปรุงจิตอยู่เป็นปกติเรากลายเป็นคนชั่วเป็นคนรุ่ร้ายเป็นคนรุนแรงก็แล้วแต่จะพูด มองหเห็นโทษในจุดนี้หรือมองอาการพูดที่กระทําพูดหรือกระทาไปด้วยอานาจต้องอกิเลสก็เราจะพบว่าอะไรก็ตามที่พูดหรือทําไปด้วยอำนาจกิเลสนั้นจะเกินจริงพูดถึงความช่วของคนอื่นด้วยอํานาจของความโกรธก็ทําชั่วนิดเดียวเราพูดเสเล่หมดเลยพูดถึงความดีของคนที่เรารักทําดีนิดเดียวอธิบายประโยชนร้อยเลย แ, แสดงเห็นว่าไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ความถูกต้องเหตุผลแต่จิตตรงนั้นมันถูกปรุงด้วยกิเลสถูกปรุงด้วยความรักความชังแล้วก็พูดไปด้วยความรักความชังไม่ได้พูดไปด้วยความจริงเมื่อไม่ได้พูดไปด้วยความจริงความจริงที่ถูกต้องมันก็เกิดขึ้นไม่ได้การมองเห็นโทษ การมองเห็นคุณจึงถือว่าเป็นคุณลักษณะที่สำคัญกระแตทางชีวิตของบุคคลนั้นจะไปดีหรือไปไม่ดีเป็นอยู่ที่ตกความคิดพูดง่ายอยู่ที่ตัวปัญญาที่พิะเจ้าทรงเรียงอริยมรรคสองข้อไว้ทั้งหน้าคือสมาธิสัมมาสังกัปปะอันเป็นอาการของปัญญาหมายความเห็นยังไงก็ต้องคิดได้อย่างนั้นคิดยังไงก็ต้องเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะคุมอริยมรรคหก ข, ข้อ ให้ดำเนินไปด้วยปัญญาก็ยเกิดความปลอดเวณยปลอดภยัยปลอดอันตรายมะณะจึงเป็นกิเลสที่ดูค่อนข้างยากเพราะค่อนละเอียด